ของเราศักยบุตรเป็นบุตรของเราเท่านั้นเราจรึงจะสอนวิชานี้ให้ถ้าหาว่าไม่บวชสอนให้ไม่ได้โอ้ทางนั้นข้าพระองค์ขอบวชเหมอนนะจากใดวิชาเด้เพราะว่าตัวเองเข้ามาทีเดีมามันดำปีออกไปสว่างเข้ามาทั้งสองสามครั้งยังเก่าถ้าหาว่าไปหาที่ไหนอย่างนี้มันก็ไม่ได้ถ้าไดวิ ช, ชาจาก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 จากนั้นก็พระทั้งสูงพระสง์ทั้งหลายบวชเอจันทาภาเนี่ยพูดอย่างนี้หนึง่งเหมือนกับอวดอุตริมนุษธษรรมว่าตัวเองได้สาเร็จเป็นพระหรหันนี่เนี่ยมีแต่พระรหันเท่านั้นพูดคำว่าจบแล้วหยุดแล้วไม่ไปแล้วเราจะไม่ทำสิ่งนั้นอีกแล้วหยุดแล้วมีแต่พระรหันเน่เพูดอย่างนี้จันทาภาเนี่ยพูดอย่างนี้เหมือนกับตัวเองเป็นพระหรหันนี้เนี่ย พระสงฆ์ทั้งหลายเป็นปุถุชนกับปการาศพระพุทธเจ้าเนี่ยพระจันท า, าภะ พ, พูดอย่างนี้พระเจ้าครับพระบวชใหม่เนี่ยทำไมพูดอย่างเนี้ยพราะพทธองค์บอกว่าจันทาภะเนี่ยเขามาภาวานายังไม่ถึงเจ็ดวันเนี่ย เ, เขาศึกษาอย่างจริงจังเขาได้สําเร็จเป็นพระรหันต์แล้วนะเขาได้สําเร็จแล้วที่เขาพูดอย่าง น, านั้นเป็นคําจริง เ, เป็นความจริงเป็นคําจริงที่เขาพูดเขาได้สําเร็จแล้ว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 พอร่ำรวยขึ้นมานี่ยนู่นไปหากินเล่าของเมายายาบ้ายามาคันชายยาฝิ่นเที่ยวสัมเรเมามกรรมชั่วทั้งหลายทำหมดเพราะตัวเองมีมีเงินมีฐานะที่จะต้องทำเกิดพบนาชาตินานลงอีกเพราะอะไรเพราะทำกรรมไม่ดีเอาไว้เมื่อเราได้ดีแล้วเราต้องพยายามประคองแชมเอาไว้แต่การกองแชมเนี่ยยากกว่าได้แชมนะ์ะ